เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่ลมประโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องภัยอีกชุดหนึ่งภัยตรง น, นี้เราเห็นว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องการกระทำของมนุษย์หมายความมนุษย์ไปสร้างภัยให้แก่มนุษย์ด้วยกันแล้วก็ธรรมชาติซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันแต่ยวมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะไม่ใช่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นภัยเป็นอันตรายขึ้นครานี้ทรงสแสดงไว้สีข่ข้อคืออัคคีภัยกับอุทกภยัยอัคคีภัยก็คือภัยที่เกิดขึ้นกับไฟไหม้โดยเจนว่าปัจจุบันนั้นบ้านเมืองเนี่ยประสบภยัภยไฟไหม้นี่เยอะเลือเก มันเกิดจากแก๊สบ้างเกิดจากน้ำมันบ้างเกิดจากไฟฟ้าบ้างก็สรุปว่าเกิดจากรุ่นใหม่ๆที่มนุษย์ศึกษาค้นคว้าขึ้นมาเองและผลลัพธ์มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมนุษย์ก็ควบคุมมันไม่ได้ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะมันคล้ายๆกับกฎหมายเนี่ยกฎหมายคือนนักิิตสนักนิติศาสตร์ แล้วก็ระดับสูงนะฮะเป็นเนติบัณฑิตเป็นปริญญาเอกมาคนยกร่างกฎหมายมีการอภิปรายกันแต่พอนำไปบังคับใช้นี่ปรากฏว่าเด็กแค่มหกแค่เด็กแค่โมหกเป็นตำรวจเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ส่วนใหญ่มันก็พวกตำรวจระดับประทวนระดับลตำรวจระดับสัญญาบัตรก็นำเข้าไปบังคับใช้มันก็มีปัญหาได้ บ, บ่อย เพราะเราไม่เข้าถึงสาระถะของมันหรือเนื้อหาที่แท้จริงของเรื่องเหล่านั้นว่าจริงๆเจตนารมณ์ของกฎหมายนี่ว่าว่าอย่างไรมาก็ทํานองการรัฐธรรมนูญฉบับก่อนข้างฟื่งเฟื่องในปัจจุบันเนี่ยราเปเรื่อยเตียนมาพูดมาทั้งแต่อ่าน่ะอ่านอะมาอ่านได้แค่สอง้มาตราตันเองสามรอบแล้วนะเมื่นานมันหดถูหรือ่านจะไม่จบเลย แล้วก็เดไปหามาสามสี่ฉบับแล้วก็หายทุกทีเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้สึกมันฝันเกินเหตุเกินผลไปพะการจะบังคับใช้ในลักษณะนี้ได้เนี่ยมันต้องจัด ก, การศึกษาพัฒนาคนขึ้นไปอีกเยอะเลยเดี๋ผลุผท้ายทุกเรื่องนี่ยเราลองสังเกตมีปัญหาในข้อกฎหมายตลอดตุลาการสารรัฐมนูญก็ต้องวินิจฉัยกันมาตลอด สวกับสอสอก็ขัดแย้งกันเพราะเพราะความไม่ชัดเจนและความฝันและส่วนใหญ่คนเหล่านั้นก็ไม่เคยอยู่ภาคสนามในภาคที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยตอนผู้อาคีภัยเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าไฟยฟ้าลับวงจรไฟฟ้าชอ็อตเตาแก๊สรบบิดเตาแก๊สรั่วอะไรต่อไหไรเป็นจะออกมาลักษณะอย่างนั้น คือหมายความว่าพอภาคใช้งานเนี่ยมันกระจายกลุ่มคนที่ใช้งานแต่ถึงจุดหนึ่งก็ไม่เคยประสีภาษาอะไรใช่ว่าปลั๊กไฟอย่างเงี้ยเราก็วางไว้แล้วบางทีเด็กก็ไปเสียบข้าวือเล่นมีดเล่นไ ป, ไปแย่ข้าเอาไฟช็อตออกก็มีปัญหา แต่บางครั้งมันน่าขดถูกหลายปีมาแล้วนะฮะ ม, มันที่จริงเป็นเรื่องที่น่านำมาคิดว่าเด็กคนชายใหม่เขานำมาเลี้ยงเด็กซึ่งเด็กคนนี้ชื่อแอปเปิลแล้วก่อนหน้านั้นคุณแม่เขาก็ได้ของขวัญที่เป็นแอปเปิลมา แต่ว่าเด็กที่มาจากต่างจังหวัดแกไม่รู้จักแอปเปิ้ลไม่รู้จักลูกแอปเปิ้ลแกรู้จักแต่ลูกคุณนายที่ชื่อว่าแอปเปิ้ลคุณนายออกจากบ้านแล้วก็นึกออกว่าอย่างไม่แล้วแอปเปิ้ลเนี่ยลูกแอปเปิ้ลเนี่ยไปแช่ในแช่ในตู้เย็นก็โทรศัพท์สั่งมาบอกว่าให้ออาแอปเปิ้ลแช่ในตู้เย็นคนใช้ก็เถียงว่าทำไมต้องแช่แช่ทำไม ไช่ได้ยังไงแกก็เทียงต้องแกเ่เร่เน่ยนะะเพราะคำว่าแอปเปิ้ลนี่งมันสื่อกันคนละคำหมายเด็กไปมองที่น้องตัวเล็กแต่ว่าแม่ไปมองที่ผลแอปเปิ้ลผลท้ายก็บังคับขู่ตะคอกมาเลยไม่งั้นจะลงโทษไม่เอาแช่ในตู้เย็นแกก็กลัวนะฮะแกก็จับน้องใส่ในตู้เย็นเรียบร้อยไปอันนี้คือเราจะเห็นว่า ไอ้ความก้าวหน้าทางวิทยาการเนี่ยบางทีเราสร้างคนขึ้นมาไม่ทันแม้แต่สื่อสารด้วยภาษาอย่างนี้เห็นไนหะมท้า่าเด็กแอปเปลิลจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไาม่ทราบะมันอยู่งเล็กตายไปเพราะว่าสื่อสารด้วยภาษาที่ติดต่อกันไม่ได้แล้วแม่มาถึงก็ช็อกโลกไปเลย เพราะในลักษณะตรงนี้เราจะเห็นว่อุทกภัยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราไม่รู้จักมันส่วนหงมันเป็นภัยธรรมชาติไม่ใช่คืออักขีภัยนะะส่วนหนึ่งเปภัยธรรมชาติเราจะเห็นว่าในป่าสมวนต่างๆในทุ่งใหญ่นเรสวนอะไรต่างๆภาคเหนือเราไยิงไฟไหม้บ่อยที่จริงมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งมันเป็นการปรับสมดุลของธรรมชาติ แต่ถ้ามากไปก็เสียสมดุลเหมือนกันดังนั้นในเรื่องของภัยคืออคีภัยเป็นเรื่องของการรอบรู้เรื่องของการระวัดระวังเรื่องการสังเกตแล้วก็เรื่องฟางเรื่องเนี่ยเรยาจะเม่อสายไฟเก่าเกินไปก็เสียดายสตางค์ไม่ยอมเปลี่ยนปัญหาเราเนี้ยมันก็แก้กันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเดียวนี้ สมัยที่พระเจ้าทรงแสดงไอ้อัคคีภัยมันก็ไม่ได้มากอะไระนะเราเป็นภัยธรรมชาติกับภัยเล็ก ๆ, ๆน้อยๆที่มนุษย์ขาดการระมัดระวังเราจะเกิดอันตรายขึ้นกระดับได้เร็วแต่พอมาถึงปัจจุบันในภัยเรื่องไฟเนี่ยจะภัยมหาศาลมากบางทีก็เผาโรงแรมเผาเรือเผ า, าคนเผาอะไรต่ออะไรเสียเนี่ยกันนะัะน ทำยังไงว่าจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้แล้วหาความเข้าใจจากเรื่องเหล่านั้นคือบางครังง้งมาคราวดูข่าวต่างประเทศมันก็แปลกยอย่างคนเราไม่ชอบไปสร้างบ้านกลายภูเขาไฟสร้างทําอะไรไปด้วยญี่ปุ่นก็เหมือนกันคือชอบสร้างบ้านกลายภูเขาไฟภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลเข้ามาก็ทําคนตายเอาเสร็จแล้วหลืมก็ไปสร้างอีกอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกตีเหมือนกัน และการต่อไปอุทกกับภัยเราจะเห็นว่าอุทกภัยนั้นที่จริงเป็นภัยธรรมชาติส่วนใหญ่นะครับแต่ในปัจจุบันมันก็มีที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นในกันนีของเขื่อนที่สร้างแล้วไม่แข็งแรงพอพอกับเก็บน้ำไว้มากในต้านทานแรงดันน้ำไม่อยู่ก็เขื่อนพังเขาเบอกอย่างอียิปต์นี่ตะเกื่อนอัสบานพังลงเลยนะคนจะตายเยอะ พอน้ำจลนวดมหาศาลมากก็อยู่เหนือขื่นอสวรรสร้างสมัยนัทเทรอนะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าพวกอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ำเนี่ยถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติล้วนๆมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรเพราะว่ามนุษย์จะรู้ความเป็นมาและเวนเนียวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามา รกรมอุตุศาสรตร์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการศึกษาติดตามลักษณะภูมิอากาศลาักษณะ น, น้ำขึ้นน้ําลงอะไรตไรเนี่ยก็จะติดตามแล้วก็จะบอกโลกหน้าได้ทั้งสี่ห้าวันแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่มันก็มีอันต ร, รายระดับที่บมนุษย์ไปสร้างขึ้นเช่นว่าการตดัดต้นไม้ทําลายป่าแหล่งต้นไม้ลํำต้นน้ำลําทานต่า ง, ง, ง, งๆเนี่ยตัวอย่างอย่างอะไรล่ะ ทะเลส่งที่เคยลงมาที่หลยรพิปูนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาตมาเองก็เกิดแล้วก็อยู่ที่นั้นตรงข้าวมาอยู่กรุงเทพเมื่ออายุายี่สิบเจดปีแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันค่อยๆมานะและไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรก็รู้กันว่าเดือนที่นึ่น้ำนองเดือน12สองน้ำมันสูง เดินอ้าดเดินยี่น้ำก็ลดนก็เรียกว่าเดินอ้าดเดินยี่น้ำก็รี่ไหลลงเลยลงภาคกลางกับภาคใต้เ่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันในตรงนี้แต่เลนนี้มันมาแบบท่อระเบิดมันเลยมาตั้งตัวไม่ทันขึ้นพุทธพพพุพุเลยคนเข้าของจะเสียหายสัตว์เลี้ยงจะบาดเจ็บล้มตายพื่อผล ในไร่ในสวนในานานั้นจะสูญเสียไปเยอะเลยเป็นภัยที่ที่จริงหลีกเลี่ยงได้ลดความุรุษแรงได้เลีกเลีเ่ยงมันหลีเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าภัยเรานี้เราสังเกตว่าทุกเรื่องเนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าลดความบุรุษแรงได้โดยใช้การศึกษาสําเนีกตรับผิดชอบเรียนรู้ทําความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นสำนึกชาติเนี่ย ทำอย่างไรว่าจะสร้างสานึกชาติให้เกิดมากก่อรักชาติแล้วก็กระตันยูต่อธรรมชาติทั้งหลายที่เราอิงสายขาวกระตันยูต่อแผ่นดินคนโบราณนี่คิดอะไรไว้คมคมเราสังเกตว่าพวกธาตุสีเนี่ยพวกน้ำกับดินเนี่ยท่านเรียกแม่เรียกแม่น้ำกับเรียกแม่พระธรณี รบทิดทูนไม่ล่วงเกินแม่พระธรณีไม่ล่วงเกินแม่พระกรงขาไฟกระมนั้นท่านเรียกเป็นผู้ชาย จ, าจะจะรูเดือดก็เรียกว่าพระพายเรียกว่าพระเพลิงก็ค่อนข้างแรงแต่เสร็จแล้วก็ให้ความเคารพยำเกรงระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับพวกธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยธรรมชาติทั้งสี่ประการดินนั่งบนไฟนะฮะอากาศ อากาศที่จริงก็แถมฟกเข้าไปจิมันก็อยู่ในเรื่องก็ดิ้นน้ำลงไฟนั่นเองแต่ว่าในปัจจุบันนยจิตสํานึกในแนวนี้มันหายไปคือคนไม่ค่อยเชื่อแนวความคิดดั้งเดิมที่ปุยญาตายายเรินสร้างบ้านแปลงเมืองมาอย่างที่เคยเล่าฟังวันก่อนนะ ว่าอันดีตนา ย, ยกธนตรีสองสมัยซึ่งเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดงการเมืองเฉยๆนะฮะแล้วก็เป็นก็ไปนานอะไรอะไรมาเรียกร้องเชิญชวนชักชวนประชา ช, ชนให้เลิกเชื่อกดแข่งกรรมว่าการในประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้าไม่ทันสมัยอย่างนานๆเรียประเทศเขาก็เพราะเราเชื่อกดแข่งกรรมชนพระพุทธเจ้าเลยนะเนี่ย คือกฎแห่งกรรมไม่ใช่พระสมเป็นคนสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเองแล้วความรู้เรื่องกฎของกรรมนั้นเป็นการรู้ด้วยสัพพันุตติยานคือการสัจสรู้เดยเห็นว่าการบรรลุพยานของพระพุทธเจ้าประยานข้อแรกนั้นก็คือรู้เรื่องสังสารวัฏซึ่งมีวัดลักษณะเป็นวงจรคือหมุนไม่รู้จักจบเรียกวัดจักรใส่กิเลสกรรมแล้วก็นําไปสวิบาต วิบากก็คีเล ก, ก็เกิดก็นำไปสู่กรรมแล้วก็วิบากก็หมุนวนไปอยู่เงี้ยมันเป็นวัฏจกักรแตร่พระเจ้าพระทั้งหลายนั้นท่านทำกรงทำลายกลงล้อของวัฏจักรได้ก็ เ, เรียกหัดกรรมแห่งสงสารวัฏจักรได้แต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างของสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสัจสรู้ทรงรู้เห็นว่ามันเกิดจากกรรมเกิดการกระทําของเขาคําว่ากรรมนั้นเป็นเพียงภาษาบาลี แล้วเวนี้เราใช้เป็นภาษาไทยแล้วแต่เอาก็จริงก็สื่อสารกันไม่ได้คือไม่ค่อยเข้าใจแม่อดีตนายกจีคนนี้เองก็เถอะเอามากำลังหาเทปนะกำลังติดตามหาเทปมาได้แล้วก็ลอกมาเป็นประโยควันดูซิว่าคนขนาดเนี้ติดเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมาแสดงวาทะเป็นปฏิปักษต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธเจ้านะ แต่ในเหล่านี้ที่จริงเคยได้ยินโพสโซสลอเนี่ยแต่ว่าเราก็หาหลักฐานไม่ได้ว่าขอดูหลักฐานหน่อยผู้โจมตีคนไทยว่าโง่ที่ไปนับถือแขกแล้วไปเชื่อศรัทธาในแขกแ ก, แก่ๆคนหนึ่งแต่นั่นเองดา่าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเพียงแต่ว่ามันมีคนมาเล่าให้ฟังจากที่ปรไปชมแต่ว่าไม่มีหลักฐาน เมื่อไม่มีหลักฐานก็ต้องยกประโยชน์ให้แก่จำเลยในขณะเดียวกันก็แสดงเห็นว่าคนระดับนําของสังคมที่เรียกว่าปัญญาชนอนดีตตำตรีคนนี้อดีตา น, น, นตายกตรีคนนี้ก็เป็นสสรคนหนึ่งนะเป็นหัวหน้ารา่างรัฐมนตรีซ้ำไปนั่นคือสิ่งที่ที่น่าห่วงใหญ่มากเพราะอะไรเพราะว่าคนจะไม่รับผิดชอบในการกระทำเห็นหนหมคีัยกับ อุทกภัยในส่วนหนึ่งมันเกิดจากกรรมคือการกระทําของมนุษย์เองมันไม่ใช่เล่นนอกฟ้าไปเมื่อพันอะไรนะการตัดไม้ทําลายป่าก็เป็นอกุสนกรรมมันเกิดจากโลภมันเกิดขึ้นจากโมหะของมนุษย์เองทําลายแหละนะ่งน้าลําทานการถมครูครองลํารางปวดหนองครองบึงทั้งหลายนั้นก็เป็นกรรมเห็นไหมกรรมมันเป็นวิธีชีวิตอะเราเคลื่อนไหวอยู่ด้วยกรรมตลอด แล้วกรรมมาบันดาลการรมมาให้ผลแล้วก็มองเห็นกันอยู่ในจระจระในปัจจุบันภัยประการต่อไปนั้นก็คือราชภัยหมายความว่าภัยที่เกิดขึ้นจากบุคคลของราชกาศไม่ใช่ภัยที่เกิดขึ้นจากประชาชนนะฮะสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมีภัยที่เกิดขึ้นจากประชาชนแต่ว่าในหลวงเราไม่มีทางที่จะเกิดภัย นะเป็นภูมิพลคือกำลังแห่งแผ่นดินเป็นผู้อภิบาลโดยแท้เราอยู่ใต้ร่มพระโพธิสมภารของพระองค์แต่ว่าความหมายเนี่ยหมายถึงว่าภายัยซึ่งเกิดขึ้นจากระบบราชการหรือคนของราชการเราเห็ดว่าบาคลมากมันก็ยุ่งคนก็ราชการส่วนใหญ่ก็ดีนะนะแต่ว่ามี เขเรียกว่าอะไรแค่ ด, ดำคือไปปะปบบนอยู่ในฝูงแก่ขาวตรงนั้นทำให้ระบบราชการไม่ค่อยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนทท่าไหร่บางยุคบางสมัยสังคมให้ความสำคัญเฉพาะอำนาจตุลาการแต่ตุลาการคราวหนึ่งก็เกิดมีการแย่งตำแหน่งประธานศาลฎีกากัน ันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวมีการประท้วงมีการเมาเหล้าตัวตุลาการถือขวดเหล้าเดินยืนเตะท่าให้หนังสือพิมพ์ถ่ายภาพเนี่มันก็วูบความรู้สึกเหมือนกันแต่ก็เป็นการการะทำของคนเล็กน้อยแล้วก็ท่านเหล่านั้นกเกษียงไปหมดแล้วเพราะนั้นทำยังไงว่าราชการเนี่ยบุคคลจะต้องระมัด ร, ระวังไม่ให้ตัวเองผิดกฎหมาย ซี่งแน่นอนต้องระมาระวังมากประกฎหมายมันค่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนยากที่เราจะไปรู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้ยังไงแต่วกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายแล้วก็ต้องทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายให้ได้ผิดก็คือผิ ด, กกดตูวก็ถูกประชาชนยังไม่มีสิทธิ์อ้างว่าตัวไม่รู้กฎหมายวิธีการตัวนี้เป็นเช่นเดียวกับหลักประชาธิป คือเหีุที่ต้องอาบัติเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าต้องโดยไม่รู้ว่าการกระทําเช่นนี้เป็นอาบัติต้องด้วยสงสัยแล้วคืนทำต้องด้วยขาดสติเห็นว่าไม่ยกโทษให้เลยท่านนี้เป็นเพราะอะไรก็รต้องงองดูในแง่ความจริงนะว่าเรารู้หรือไม่รู้เนี่ยเราจับไฟมันก็ร้อนเราสงสัยว่าไฟร้อนหรือไม่ร้อนเราจับเราก็ร้อน เราเผลอขาดสติไปจับมันก็ร้อนเพราะงั้นผลมันเกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุนั้นไปเครื่องมือในการอ้างไม่ได้อ้างไม่รู้ก็ไม่ได้อ้างว่าเผลอก็ไม่ได้อ้างว่าก็สงสัยอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้เพราะว่ากระบวนการของกรรมมันจบแล้วแต่ว่าอาบัตบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นคล้ายๆเราจับไฟเราก็ร้อนก็เราคนเดียวนะ แต่นั่นก็คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการไม่รู้หรือผลจากเกิดขึ้นจากการสงสัยแล้วขืนจับหรือผลที่เกิดขึ้นจากการขาดสติก็ได้แต่ส่วน้ากีนแนวอาบัติลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีโทษรุนแรงคือไม่ระทบสังคมแต่ว่าคนที่กระทำนั้นจะมีปัญหาด้วยตัวเขาเองบ้านเมืองจาเป็นจะต้องมีราชการ แต่เราเห็นว่าราชการของเราก็ชักจะมากนะฮะพอรัตตมูลนี้เกิดเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองเงินทองในการเป็นเงินเดือนของข้าราชการนี่เยอะเลยตอนแต่เอบอตอะตไรอะไรมาเนี่ยคิดอะไรขึ้นมาไม่รู้ฮะมันไปนลอกเรียนความคิดแบปอเมริกาอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ส่วนหนึ่งก็เป็นนักโทษส่วนหนึ่งก็เป็นผู้อพยพหนีภัยส่วนหนึ่งก็เป็นคนอพยพไปเรียกว่าไปขุดทองอนะฮะ มันกันทั่วการสร้างบ้านแปลงเมืองมันก็ต้องอาศัยระบบอย่างนั้นแต่ของเรามันไม่ใช่นะฮะเรามันเป็นสังคมที่ประมากษัตริย์ท่านอยู่ข้างหน้าเราขี่ช้างขี่มา้าลุยต่อสู้ฆ่าศัตรู ก, กันมาเสียงภัยเสียงอันตรายกันมาสร้างบ้านแปลงเมืองให้แก่เราเราก็เป็นข้าของแผ่นดิน อาศัย ใ, ใต้ร่มพระโพธิสมภารของพระองค์แล้วก็มาทวงอำนาจเยงๆกันอยู่ไม่รู้อำนาจตัวเองที่ไหนนะเอามาจากไหนใช้สิทธิ์อะไรที่มาอ้างอำนาจตรงนี้เแล้วดูความเป็นมาบางคนละ ร, ระบบประวัติศาสตร์บางคนละโครงสร้างกันพรราชภัยเวลานี้ก็คือต้องระมัดระวังไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เคารพกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่ แล้วพยายามศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจว่าอะไรผิดกฎหมายอะไรไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะปรึกษาได้โดยภัยเป็นปัญหาภูเขาซึ่งยากต่อการจะแก้ไขแต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันได้อย่างเมื่อตอนที่จะสิ้นปีนะฮะรู้สึกวันที่สามสิบันวาคมมีข่าวแถวจังหวัดระยอง ที่มีเงินกู้เอาเงินไปเบิกเงินจากธนาคารไปเก็บไว้ที่บ้านเป็นล้านแล้วก็มีทองคําหนักอีกไปายสิบบาทตกกลางคืนโจนกรก็มวยเกลี้ยงเลยนั่นคืออะไรคือว่าโจรภัยแต่ว่าถามว่าทําไมลรอทําไมที่คนบริหารเงินขนาดนี้ไม่รู้วิธีการในการที่จะบริหารทําไมเอาเงินมาเก็บไว้แล้วตัวเองก็อยู่คนเดียวสองคน ถึงโจทย์ไม่รักแกปล้นแกก็เอาได้นะฮะต่อคนเป็นคนเดียวแล้วอย่าลืมว่าปัญหาโจรภยัย้นมันสืบเนื่องกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการศึกษาปัญหาการปกครองปัญหาความเป็นธรรมอะไรต่างๆมันมันมันจะนำไปสู่เรื่องโจรภัยในเยอะเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย เรามีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเรามีปัญหาที่เกี่ยวกับ IMF เราก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดปัญญาเศสพติดก็นำไปสู่โจรกรรมได้ปัญหาเศรษฐกิจก็นำไปสู่โจรกรรมไ ด, ปไปได้ปัญหาทางการเมืองก็นำไปสู่ปัญหาโจรกรรมได้ทำอย่างไงจะต้องระมัดระวังไม่ประมาทในการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติในการดูแลบุคคลภายในครอบครัว ในการไปปฏิภาณภาระหน้าที่การงานเพราะว่าโจรเนี่ยมันอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยนะแม้ในวัดเองนี่ของยังวางแล้วก็เกลอไม่ได้เลยที่น่าเจดใจก็คือว่าหน้าประตูบวถของวัดบางวัดเนี่ยบอกว่าโปรดระวังรองเท้าหายวันก่อนมีคนมาที่ก็ติกจจอดรองเท้าไว้ที่หน้ากติกเก็บเป็นห่วงรองเท้าแก เราก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันก็เห็นเห็นในรายอย่างหนึ่งนะฮะว่าแม้แต่วัดเองคนก็ไม่ค่อยไหวใจตามปกติแล้วรองเท้าที่จอดหน้ากุฏิพระ่มันไม่ค่อยหายหรอกแต่เราก็ประมาทไปได้เพราะอะไรเพราะคนที่รักมันไม่จะคนในวัดมันคนนอกวัดและวัดบางแห่งก็อยู่ใกล้กับพวกยาเสพติดเยอะปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไง ด้านภัยเหล่านี้จึงเราเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมนุษย์จะต้องมีความชัดเจนแล้วจะต้องสำรวมระวังต้องระมัดระวังปัญหาบงางอย่างมันอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้นะเช่นว่าน้ำท่วมมันเป็นเรื่องแปลกเราจะว่าปักได้ในน้ำท่วมเลยแล้วเราก็ไปเดินดูบ้านคน เอ๊ะทำไมไปปลูกบ้านติดดินก็ดินดินมันฝนตกหน่อยเดียวน้ํามันจะไหลข้าวไปแล้วไม่ต้องอาศัยน้ําท่วมอะไรคือเมื่อเรารู้ว่าน้ํามันจะท่วมมันก็ปลูกบ้านให้สูงหน่อยไม่ได้เลยอย่างใกล้ยๆกับภาคกลางเอาลองสังเกตว่าคนรุ่นบุยยาตายหญเนี่ยถ้ารู้ว่าตรงนี้มันปิดที่ราบลุ่มเพราะงั้นบ้านทรงไทยจึงได้ทนสูงแสดงว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยท่านรู้เท่าถันถึงความจริง ว่าภัยเป็นอันมากนี่มันหลีกเลี่ยงได้ป้องกันได้ลดความรุนแรงลงไปได้แต่ลงหนีอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าทํายังไงอย่าประมาทในการครองชีวิตในการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติในการเกี่ยวข้องกับคนในการสังเกตมีการตรวจสอบมีการติดตามพิจารณา แล้วก็ที่อยู่อาศัยก็มีความเข้มแข็งขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยมันก็ลดปัญหาความรุนแรงออกไปได้เท้าฟังทลายแต่ร่มระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี